Book 2 7เจ็ดสิเกาสคคุณศัพท์สอง adjective 2ั a ดิฉันสวมชุดสีฟ้าฉันใ akan baju biru ดิฉันสวมชุดสีแดงฉันใส่เสื้อสีแดงดิฉันสวมชุดสีฉ่เีฉันสวมชุดสีแดง่เสื้อสีแดงดิฉันสว a ชุดสีแดงฉันสเือสีดงฉันสวมชุดสีแดงฉันใือสีด ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีน้ำตาลฉันซ m e m กระเป๋าถือสชชี t ด, ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีขาว saya membeli tas putih ดิฉันซ้อกระเป๋าถือสีขาวกาฉัน้อรกราถขันใหม่รรถัน ดิฉันต้องการรถความเร็วสูง saya membutuhkan sebuah mobil yang ก e n c a n g ดิังฉันต้องการรถที่นั่งสบาย saya membutuhkan sebuah mobil yang nyaman ผูัน้หญิงชา้รงาอรายูอ่ชัยน้่นับน้นบน di atas sana tinggal seorang wanita tua ผู้หญิงอ้วนอยู่ชั้นบน di atas sana tinggal seorang wanita gemuk ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่ชั้นล่าง di bawah sana tinggal seorang wanita yang ingin tahu แขกของเราเป็นกันเองท amu ท amu kami adalah orang orang yang ramah แขกของเราเป็นคนสุภาพท amu ท amu kami adalah orang orang yang sopan แขกของเราเป็นคนน่าสนใจท amu ท amu kami adalah o r a ี g o r a n g y ฉันมีลูกที่น่ารักฉันมีลูกที่น่ารักฉันมีลูกที่น่ารักฉ a นมีลูกที่น่ารักฉันมีลูกท่น่า่นันก่านมีลูกทนานมีลูกทน่ารักฉั a n ีลูกที่น่าร ลูกๆของคุณเป็นเด็กดีไหมคะ a k ของคุณเป็นเด็กดีไหมคะอะ akah anak-anak Anda patuh?